<laughs> . แง่เด้อเจ้าเฒ่าอยู่นาเฒ่า ต้อยมาอ้าเก่าเพื่อนอยู่ไกลระยะเอามาสอยอีกแน่แต่บาทแล้วต้อย หินดูชายอิ้วจะต้องเปิดจาก Sempre Schedule งรัก сбร้น люб puns อย่าขสารัก บ่ได้เก่าเข้าอยู่เล่า Ha ah, o on... De...